พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่ส4สโคตามุขคสูตรสูตรว่าด้วยพรามชื่อโคตามุขคท่านพระอุเทนะอยู่ในป่ามะม่วงชื่อเขมียะใกล้กรุงพาราณสีโคตามุขพรามมีธุระไปสู่กรุงสาวัตถีไปพบพระอุเทนะที่ป่ามะม่วงนั้นจึงสนทนาด้วย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 ถึงพระรัตนไตรเป็นสารณะตลอดชีวิตพร้อมกับได้แสดงความจานงขอถวายพิกษาเป็นนิดคือถวายอาหารเป็นประจำแด่พระเทระพระเทระถามว่าพระราชาแคว้นอังคะทรงถวายนิจะพิขาทุกๆวันอย่างไรพรามตอบว่าถวายวันละห้าร้อยกหาปณะพนะระเทระตอบว่า